ต่อไปประเด็นที่4ประเด็นที่4ก็คือวิธีการเจริญอริยมรรคหรือว่ารวมมรรคเข้ามาให้ครบทั้ง8ดเพราะมรรคจริงๆมันเกิดในจิตมันเกิดด้วยกันเลยเกิดรวมกันนะไม่ได้แยกกันเมื่อกี้พูดเหมือนมันแยกกันอยู่เพราะว่าต้องการให้ให้เห็นชัดเท่านั้นเองแต่จริงๆตัวมรรคนี้มันเกิดในจิตเลยมันเกิดรวมกันอยู่มันเกิดรวมกันที่เราต้องการก็คือต้องการให้แปดนี้มันเกิดรวมกันทีเดียวเลยมันจะได้เกิดมรรคขยานขึ้น แต่แรกๆจะทำอย่างนั้นคงจะยังไม่ได้ก็ต้องให้มันเกิดสอมยางสี่ยางห้ายางหอยางก่อนค่อยๆเกิดมารวมกันรวมกันจนมันสมบูรณ์มันจึงจะเป็นมัคยานขึ้นเกิดครบทั้ง8ถ้าเกิดครบทั้ง8นี้จะเกิดญาณปัญญาขึ้นมาเขาเรียกว่ามันเป็นมัคขยายนนะมัคยานนี้จะทำให้เกิดดวงตาเห็นอริยสัจสี่ได้นะตอนแรกมันจะยังไม่เห็นครบสัจจะทั้งสี่ มันจะเห็นทีละอย่าง2 อ, อย่างเห็นทุกบ้างเห็นเหตุเกิดทุกบ้างเห็นความดับทุกบ้างยังไม่ครบไม่สมบูรณ์อย่างนี้ทํานองนี้นะครับอันนี้ประเด็นที่4ก็จะพูดถึงวิธีการเจริญมรรคหรือรวมมรรคประกอบมรรคเข้ามาทีนี้วิธีการก็มีหลายข้อผมก็จะพูดย่อๆพูดย่อๆเอาแบบองค์มรรคทั้ง8นั่นเองมาพูดประกอบรวมกันการประกอบมรรคเนี่ย ก็จะเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4ี่การประกอบมรักเอามรัก3ข้อมาประกอบกันมันจะเกิดเป็นสติปัฏฐาน4ี่นี่ผมได้บรรยายไปในคราวที่แล้วท่านใดที่สนใจการปฏิบัติโดยเฉพาะในด้านวิปัสสนาเนี่ยจะรู้จักสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ี่นี้จะอาศัยองค์มรัก3ข้อในการรวมกันก็คือความเพียรต้องมาทําความเพียรความเพียรที่สําหรับขัดเกลากิเลสเพื่อ ลดละกิเลสอันนี้เขาเรียกว่าสัมมาวายามะต้องมีสัมมาทิฏฐินี่เป็นหัวหน้าต้องมาฟังธรรมให้เข้าใจมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเวลาทำก็ทำด้วยความรู้ด้วยความเห็นที่ถูกต้องอันนี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอีกอันหนึ่งก็คือต้องมีแน่นอนคือสติสติที่ใช้ในการนี้ก็เรียกว่าสัมมาสตินะอาศัยสามอย่างรวมกันสัมมาทิฏฐิสัมมาว า, ามะและสัมมาสติมารวมกันนี้ มันจะเกิดเป็นตัวรู้ขึ้นมานะมันจะเกิดเป็นตัวรู้ฉะนั้นทุกท่านก็อย่าลืมพากันหัดไปประกอบความเพียรการประกอบความเพียรก็คือการทำความเพียรเพื่อเอามรคมารวมกันเพราะมรคมันก็มีอยู่ทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าบางทีมันยังไม่มารวมกันพอเรารู้จักแล้วเจนสมมาทิทฐิเราก็มาฟังมาใส่ใจได้สมมาทิทฐิแล้วความเพียรเราก็รู้จักแล้วสติบางท่านก็เคยฝึกมาแล้ว ต่อไปก็เอา3มอย่างนี้มารวมกันต้องหัดเอามารวมกันเช่นเอามาตอนเดินจงกรมเอามาแอบทำกันทำมีความเพียรด้วยตอนเดินจงกรมแล้วก็ตั้งใจทำเพื่อเป็นความเพียรสำหรับขัดเกลากิเลสก็คือตัดความเคยชินทั้งหลายออกไปเช่นเคยดูหนังดูละครอะไรที่ตามกิเลสเราก็ไม่ทำเราก็ตั้งเวลาในการทาความเพียรขัดเกลากิเลสแต่ตอนทาความเพียร น, นั้นเราก็มีสัมมาทิฏฐิแลรู้จักว่า ที่เราทำนี้เพื่อที่จะให้เห็นว่านั่นไม่ใช่ตัวตนมีแต่ของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเป็นรูปเป็นนามอะไรอย่างเงี้ยนะมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจเห็นถูกแล้วก็มีสติผูกจิตไว้กับการเดินอย่าปล่อยใจเลื่อนลอยไปนี่อาศัย3อันนี้มาประกอบในการเดินบ้างในการนั่งบ้างก็ได้หรือจะนั่งสมาธิดูลมหายใจก็ได้ เอาสามอันมาประกอบกันเอาสามอันมาสามอันมาประกอบกันในลมหายใจเนี่ยเรามีความรู้อยู่แล้วว่าลมหายใจนี้มันเป็นลมมันเป็นเพียงธาตุลมไม่ใช่ตัวเราเป็นลมหายใจมันเข้าลมหายใจมันออกมันเป็นของไม่เที่ยงนะและที่ลมมันเข้ามันออกก็เพราะมันมีจิตอยู่ก็คือมีขันห้านั่นแหละนะแล้วก็มีความเพียรมาประกอบเพื่อขัดกิเลสมีสติผูกจิตไว้กับลม ก็มานั่งนั่งก็เอาสามอันมารวมกันพอรวมกันแล้วลงตัวกันมันก็จะเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาเกิดเป็นตัวรู้ขึ้นมารู้รู้ตัวนี้เขาเรียกว่าอนุปัสสนารู้ตัวนี้นะรู้รู้รูปรู้นามรู้ว่าเนี่ยอันนี้เป็นของไม่เที่ยงอันนี้ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้คุมไม่ได้อย่างนี้นอันนี้เรียกว่าการเอา องค์มัคมารวมกันองค์มัคที่ต้องใช้ประจํานี้ก็เลยมีอยู่3องค์ประกอบอันที่1คือสัมมาทิฏฐิ2คือสัมมาวายามะ3คือสัมมาสติเนี่ยต้องเอามารวมกันนะอันอนี้ฉะนั้นท่านไหนที่เคยฝึกสติแล้วก็ลองสังเกต ด, ดูว่ามีสัมมาทิฏฐิไหมถ้ายังไม่มีก็ไปฟังฟังแล้วก็เอามาประกอบเข้าในตอนที่ทํากรรมฐานนั่นแหละ ทีนี้ก็มาดูว่ามีสัมมาวายมะไหมถ้ายังไม่มีก็เอามาประกอบเข้าสัมมาวายมะก็ฝึกฝืนกิเลสอย่าไปทําตามกิเลสให้ขัดกิเลสเกลากิเลสนะอย่างนี้ในตอนนั่งสมาธินั่นแหละเดินจงกรมนั่นแหละและแน่นอนทุกการกระทําจะต้องมีสติต้องตื่นตัวรู้ตัวอยู่เสมอมีสติ3ตัวนี้ถ้าเอามาประกอบกันแล้วมันลงตัวกันกว่าจะลงตัวก็ต้องใช้เวลาหน่อยหนึง่งต้องมาฝึกฝึกทํา ในกรรมฐานต่างๆเนี่ยถ้าทำถูกต้องก็จะใช้องค์มักสาอันเนี่ยทำนะอย่างนี้ทำตรง น, นี้สอันทำทาให้เกิดความรู้ความรู้ความรู้ที่ต้องการในเบื้องต้นนี้ก็จะเรียกเป็นความรู้เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นวิปัสสนาเอาสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติมารวมกันมันจะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมา ปัญญาตัวนี้เขาจะเรียกว่าวิปัสนานะวิปัสสนาก็คือสามารถที่จะแยกรูปแยกนามเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนในรูปในนามได้นะเมื่อเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรู้จักว่าเป็นแต่รูปนามไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปกําหนดมรรคต่อไปเพื่อจะทํามรรคให้มันสมบูรณ์ต่อไปนะตอนนี้ผมก็พูดข้ามไปเพื่อที่จะ รวมมรรคเพราะว่าเน้นไปประเด็นว่าด้วยเรื่องการจะเอามรรคมารวมกันว่าทําอย่างไรนะก็เอามรรคทั้ง8นี่มาพูดเลยมาพูดเบื้องต้นก็อย่าลืมหัดทําให้เป็นนะสติปัฏฐานสี่อย่าลืมท่านไหนยังทําไม่เป็นก็ลองไปหัดดูนะอย่างนี้บางท่านก็ยังไม่รู้เรื่องก็ยังมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งให้อ่านมีแต่วิชาการนะสติปัฏฐานสี่ไปอ่านสก่อนนะแล้วก็ ทำความเข้าใจผมก็มาพูดไปในคราวที่แล้วและเรื่องนั้นนะเรื่องสติปัฏฐานสี่จะได้องค์มรัก3สามแล้วได้สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติได้สอันนะสติเป็นการไม่ปล่อยใจลอยผูกไว้กับอันใดอันหนึ่งให้เกิดความรู้ตัวไม่ประมาทไม่เลื่อนลอยสัมมาทิฏฐิมันจะไม่หลงไม่หลงแบบคนทั่วไปคนทั่วไปเขาจะหลงว่าเป็นเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอน ถ้าสัมมาทิฏฐิมันก็จะเห็นกายเดินจิตรับรู้ความคิดมันเกิดขึ้นความสุขทุกข์มันเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เรามันไม่หลงถ้าเป็นคนธรรมดาเขาก็จะหลงว่าเราสุขเราทุกข์เราคิดเรานึกเราคิดดีเราคิดไม่ดีถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็จะแยกได้ว่าความคิดมันไม่ดีความคิดนั้นมันไม่เที่ยงอ่าอย่างนี้กายนั้นมันเดินที่กายเดินได้เพราะจิตมันสั่งไปในกระบวนการเดินนั้น ไม่มีคนเดินแต่มีการเดินที่เดินได้เพราะกายกับจิตนี่อย่างนี้นะอย่างนี้ความเจ็บความปวดเกิดขึ้นก็ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตเป็นเวทนาเป็นเวทนาขันมันแยกแยะได้มันไม่หลง น, นั่นเองเรียกว่าสัมปชัญญะหรือสัมมาทิฏฐิความเพียรก็เอามาประกอบกันรวมกันอันนี้คือวิปัสสนา น, นั่นเองเมื่อได้สัมมาทิฏฐิตัวนี้แล้วตัวนี้เรียกว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ เราก็เอาไปพัฒนาเอาไปพัฒนามรคให้มันสมบูรณ์ขึ้นเริ่มต้นจากพัฒนาสัมมาทิฏฐินั่นแหละสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้รูปนามว่าประกอบไปด้วยอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะก็ดูบ่อยๆบ่อยๆไปนะก็เพื่อละมิจฉาทิฏฐิให้มันมีสัมมาทิฏฐิเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะ ถ้ามีสัมมาทิฐิมากขึ้นในใจของเราเรามองไปทางไหนมันก็จะเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงมองโลกก็เต็มไปด้วยทุก น, นะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราและไม่ใช่ของใครนะอย่างนี้ก็ไปหัดบ่อยๆให้มันมีสัมมาทิฐิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อละมิจฉาทิฐินะถ้ามีมิจฉาทิฏฐิเยอะมันมองไปทางไหนมันก็โอ้อันนี้ก็เที่ยงอยู่อันนี้ก็สุข อันนี้ก็ของเราอันนี้ก็ของเขาอันนี้ก็ของคนนั้นอันนั้นก็ของคนนี้นี่คือมันมิจฉาทิฏฐิมันเยอะอยู่นะเราก็ไปฝึกฝึกให้มีสัมมาทิฏฐิเยอะขึ้นเยอะขึ้นใส่ใจให้ถูกต้องมากขึ้นนะอันนี้ต่อไปก็ใช้สัมมาทิฏฐินี้ไปพิจารณาความคิดเพราะว่าในขณะที่เดินจงกรมก็ดีนั่งส ม, มาธิก็ดีหรือฝึกปฏิบัติในชีวิตของเราก็ดี ถ้ามีความเพียนสัมปชัญญะสติเราก็จะสามารถกำหนดความคิดได้ความคิดมันก็มีเยอะแยะในหัวสมองเราแหละมีเยอะแยะทุกวันนี้พวกเราก็คิดอยู่นะแต่ถ้าไม่มีองค์มรรคเนี่ยมันจะเป็นเราคิดเป็นเขาคิดเป็นเราคิดไม่ดีเป็นเราคิดดีแต่ถ้ามีสัมมาทิฐิมันก็จะเป็นความคิดความคิดมันเกิดขึ้นความคิดก็จะถูกแยกเป็นสองส่วนคือความคิดไม่ดีเป็นมิจฉาสังกปะ ส่วนความคิดดีก็มีฝ่ายที่เป็นสัมมาสังกัปปะคิดเนคขมมะก็มีคิดออกจากโลกเบื่อหน่ายโลกมีไหมมีแต่ น, น, นานๆครั้งนั่นแหละอันนั้นเป็นสัมมานะคิดจะเอานั่นเอานี่มีไหมมีอันนั้นเป็นมิจฉาคิดจะตบคนอื่นมีไหมมีอันนั้นเป็นมิจฉาคิดจะช่วยเหลือคนอื่นมีไหมมีอันนั้นเป็นสัมมาน ะ, ะ อ, านน อ, านอันนี้ฉะนั้นถ้ามีสัมมาทิฏฐิมันก็จะแยกความคิดออกมาเป็นสองส่วน แต่ไม่มีเราอยู่ในความคิดนะหากไม่ได้ปฏิบัติโดยถูกต้องเนี่ยไม่ได้ฝึกตามมรกเนี่ยเวลาคิดไม่ดีก็จะเป็นเราคิดไม่ดีเวลาคิดดีก็จะเป็นเราคิดดีมันมีของเราของเขาด้วยแต่ถ้ามีสัมมาทิฏฐิมาประกอบแล้วความคิดก็เป็นความคิดเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ใครแต่ความคิดก็มีอยู่สองอย่างแยกแล้ว ก็คือความคิดไม่ดีเป็นมิจฉาสังกัปปะความคิดดีเป็นสัมมาสังกัปปะเมื่อแยกได้ดังนี้แล้วความคิดไม่ดีก็เป็นของไม่เที่ยงความคิดดีก็เป็นของไม่เที่ยงแต่ความคิดไม่ดีนั้นไม่ใช่มัคมันนำทุกมาให้ความคิดดีเป็นมัคเราต้องเจริญมัคพอรู้จักอย่างนี้แล้วก็ไปประกอบความเพียรเพิ่มขึ้นประกอบความเพียรเพื่อละมิจฉาสังกัปปะเพื่อละความคิดไม่ดีอย่าคิดมาก ความคิดไม่ดีนี้หรือคิดแล้วก็เร่งรีบทิ้งแล้วไปทําความเพียรเพื่อคิดให้ถูกต้องประกอบเข้าถึงสัมมาสังกัปปะความคิดนี่การประกอบอันนี้ก็เป็นองค์มรรคองค์ที่4ที่ประกอบเข้ามานี่อย่างนี้ทํานองนี้นะครับปกติการรวมมรรคนี้เราก็จะค่อยๆฝึกกันขึ้นมาตามลําดับค่อยๆฝึกนะ ฝึกเริ่มต้นจากมรรค3คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสตาิต่อไปสำหรับบางท่านที่มีเวลาเนี่ยบางท่านอาจจะเอา3ามอันมารวมกันแล้วก็ทาต่อเนื่องกัน3วัน4ี่วัน5วันได้องค์มรรคที่4มาก่อนก็คือสัมมาส ม, มาธิจิตตั้งมั่นมาก่อนจิตตั้งมั่นตัวนี้มันก็เป็นที่รวมของสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติอันนี้ก็ได้4และ แต่บางคนยังไม่ได้สมาธิก็ไม่เป็นได้ก็แล้วแต่นะพอได้เรียบร้อยแล้วก็สังกับปะเมื่อกี้นะนี่อย่างนี้ทำตองนี้นะครับรู้จักความคิดที่ผิดว่าเป็นความคิดที่ผิดรู้จักความคิดที่ถูกว่าเป็นความคิดที่ถูกความรู้นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองมันรู้จักความคิดเป็นความคิดลักษณะของสัมมาทิฏฐิมันดูง่ายนิดเดียวก็คือมันไม่มีคน มันรู้จักส like right. ิ่งน yup right. ั้นนั้นว่าเป็นสิ่งนั้นนั้นรู้จักสิ่งที่ผิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดความคิดผิดเนี่ยนะอย่างถ้าเราเดินจงกรมนานๆอย่างมีสติมีปัญญาเคยฟังมาแล้วเราจะรู้สึกว่ามันคิดความคิดเนี่ยเราจะรู้สึกความคิดเป็นความคิดความรู้นั้นแหละมันเป็นสัมมาทิฏฐิให้เราจับตัวมันให้ได้ความคิดนั้นความคิดตัวรู้ความคิดว่ามันเป็นเพียงแต่ความคิดไม่ใช่เราคิดนั่นแหละ ไอ้ น, นั่นคือสัมมาทิฏฐิมันเป็นความรู้นะถ้าคิดดีมันก็รู้ว่าอ๋อนี่ความคิดมันดีไม่ใช่เราดีนะเป็นความคิดดีให้เรารู้จักไว้นั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิความคิดไม่ดีก็ไม่เที่ยงความคิดดีก็ไม่เที่ยงความคิดไม่ดีก็บังคับไม่ได้ความคิดดีก็บงับคคดดบงคับไม่ได้เช่นกันนะความรู้นี้เป็นสัมมาทิฏฐิพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้เวลาปฏิบัติต้องจำแม่นๆนะบางท่านนี้ ปฏิบัติก็เห็นความคิดโน่นนี่นั่นเหมือนกันแต่ว่าท่านจับตัวไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนทีนี้พอจับตัวไม่ได้พออยากจะเจริญอะไรเลยงงไม่รู้จะเจริญยังไงต่อคือมันไม่รู้จัก น, นั่นเองก็เลยต้องรู้จักให้ดีๆรู้จักอย่างน้อยต้องรู้จักสามตัวให้ดีก็คือตัวที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิต้องรู้จักให้ดีอันที่สองคือสัมมาวายมะนะคือความเพียรสําหรับขัดกิเลสขัดใจตัวเองนะี นะรู้จักไหมคงรู้จักเนาะขัดใจตัวเองมันอยากกินอยากกินมันอยากนอนอยานอนอยากพูดอยาพูดอยากหยุดอยาหยุดตตัวเนี้ยคือสัมมาวายมะความเพียรสำหรับขัดเกลากิเลสละกิเลสไม่ทำตามกิเลสนะส่วนถ้าเป็นฝ่ายดีไม่อยากทำให้ทำไม่อยากฟังทำให้ฟังทำไม่อยากเดินจงกรมให้เดินไม่อยากนั่งสมาธิให้นั่ง อยากเลิกอย่าเลิกอันนี้คือสัมมาวายามะต้องจับตัวให้ได้ด้วยนะถ้าจับตัวไม่ได้เดี๋ยวเราจะทำให้เป็นตัวสติก็ตือตัวผูกจิตไว้กับอารมณ์หรือกับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่กับงานที่กําลังทําไม่ปล่อยมันไปเรื่องอื่นเช่นกําลังเดินก็รู้ว่ากําลังเดินอย่าปล่อยไปเรื่องอื่นถึงแม้จะคิดเรื่องอื่นบ้างแต่ห้ามไปนอกเรื่องให้อยู่กับเรื่องเดินนี้นะ ถ้าจะดูลมหายใจเข้าออกก็ให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าไปเรื่องอื่นให้อยู่กับงานตัวผูกจิตไว้กับงานบอกตัวเองว่ากำลังทำอันนี้อยู่เรียกว่าสติเข้าใจไหมเนี่ยอย่างนี้พอได้3มตัวนี้แล้วก็ทำอย่างนี้บ่อยๆทาอย่างนี้บ่อยๆถ้าเราทำแบบต่อเนื่องเนี่ยก็ไม่นานนักก็จะรู้จักสมาธิสมาธิก็จะเป็นสัมมาสมาธินี่ได้ทั้ง4แล้วนะแปบ๊บเดียวเอง สักแป๊บเดียวก็ครบแปแล้วนะเนี่ยนะจะบรรลุแล้วเนี่ยบางท่านแค่จะเอาตัวหนึ่งนี่ก็ยังยากเลยบางท่านทํามาตั้งนานแล้วฉาดไปฉาดมาอยู่เห็นรูเห็นนามอยู่เหมือนกันแต่สักหน่อยหายมันอันไหนเป็นอันไหนมันงงอันนี้คือทําแบบไม่มีหลักการมันก็จะลุกทุ่งสักนิดหนึ่งเป็นมวยวัดน่ยมันจะงงๆนะยิงโน่นนี่นั่นก็ยิงโดนเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้าเป้าหรืออยากให้มันเข้าแต่มันดันไม่เข้ายิงไปยิงมาบางทีมันเข้าเป้าเหมือนกันนะ ฉะนั้นการทําแบบมีหลักการกับไม่มีหลักการก็จะต่างกันเยอะอยู่คือถ้าทําแบบมีหลักการมันจะกําหนดได้ว่าตัวนี้คือตัวนี้ตัวนี้คือตัวนี้ตัวนี้คือตัวนี้เสร็จแล้วเวลาเราอยากไปเจริญต่อมันก็สะดวกใช่ไหมถ้าไม่มีหลักการทําไปเรื่อยมันก็เหมือนเรายิงยิงไปเรื่อยยิงไปยิงมามันก็โดนเหมือนกันนะแต่ว่าพอจะยิงอีกทีมันไม่โดนแล้วเนี่ยมันงงนะอันนี้ฉะนั้นตอนนี้มาพูดหลักการให้ฟังให้ท่านจำแม่นๆนะ ก็เวลาไปปฏิบัติเนี่ยก็ต้องเห็นจริงด้วยนะพูดให้ฟังนี่มันยังเอามาให้โชว์ให้ดูไม่ได้ก็ยากอยู่ต้องไปหัดนะครับเนี่ยการอยู่คนเดียวนิ่งๆทํานานๆนี่จึงดีในแง่ที่ว่าเราจะได้จับตัวได้ว่าไอ้ตัวนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐินะตัวรู้จักเนี่ยเช่นตัวรู้ว่ากายเดินเนี่ยเป็นรูปมันเดินนะธาตุสี่มันเดินไม่ใช่เราจิตมันสั่งกายมาไม่มีคนเดินเลยอันนี้คือสัมมาทิฏฐิ ความคิดเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่ความคิดไม่ใช่คนคิดนะไม่ใช่เราคิดด้วยนะมันเป็นแ ค, ค่ความคิดนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐินะคือความไม่หลงา น, านั่นแหละเป็นสัมมาทิฏฐิไม่หลงเอาเปนะะ็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นเขาความปวดความเจ็บหิวกระหายเกิดขึ้นก็นั่นมันไม่ใช่กายมันไม่ใช่จิตมันเป็นเวทนาเป็นของเกิดดับนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิ นะครับเนี่ยตัวนี้มันเป็นหัวหน้าเขานะต้องจับตัวนี้ให้แม่นแม่นพอได้ตัวนี้แล้วก็เอามาชำระความคิดเมื่อกี้พูดถึงวิธีเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเพิ่มองค์มรคข้อที่5ขึ้นมาเมื่อกี้พูดไป4แล้วใช่ไหมตัวที่ต้องใช้ประจำมีสคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายมะสัมมาสติเอามาประกอบกันต่อเนื่องพอสมควรจะได้สัมมาสมาธิคือจิตมันโปรง่งเบาสบายละนิวรณได้ เอาองค์มรรคสมมารวมในสมาธิก็เป็น4ไปแล้วนะต่อไปก็ต้องใช้สมาทิฏฐิไปกำหนดกาหนดความคิดความคิดก็มีอยู่2ความคิดก็ความคิดในหัวสมองเรามีอยู่2ก็คิดไม่ดีก็เป็นความคิดไม่ใช่เราคิดเป็นของไม่เที่ยงเช่นกันคิดดีก็ไม่ใช่เราคิดเป็นความคิดเป็นของไม่เที่ยงเช่นกันความคิดไม่ดีควรละความคิดดีควรเจริญ เรารู้จักอย่างนี้แล้ว น, นี่คือสัมมาทิฏฐิต่อไปก็ไปทำความเพียรเพื่อละความคิดไม่ดีทำความเพียรเพื่อเข้าถึงความคิดดีงามอันนี้คือสัมมาวายามะสติที่ใช้ก็เป็นสัมมาสตินะเมื่อเราทำ บ, บ่อยๆความคิดไม่ดีก็ลดลงความคิดดีก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นการเจริญมรรคข้อสัมมาสังกัปปะนะอย่างนี้ ทำนองนี้นะครับต่อไปก็ใช้สัมมาทิฏฐิไปประกอบอีกเช่นเดียวกันเวลาที่เราต้องพูดก็มีอยู่นะเราก็พูดเยอะแยะไปพูดคำพูดก็แบ่งเป็นสองส่วนเหมือนกันแบ่งเป็นสองส่วนก็มีทั้งคำพูดดีกับคำพูดไม่ดีเป็นมิจฉาวาจากับสัมมาวาจานะพูดไม่ดีพูดไม่ดีก็เป็นคำพูดที่ไม่ดีไม่ใช่เราไม่ดีไม่ใช่ของเรานะเป็นของเกิดดับเป็นของไม่เที่ยง คำพูดที่ดีก็ไม่ใช่เราดีเป็นคำพูดมันดีก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นกันเป็นของเกิดดับแต่คำพูดไม่ดีเป็นของควรละเพราะมันนำทุกมาให้คำพูดดีเป็นของควรเจริญการงดเว้นคําพูดไม่ดีต่างๆงดเว้นต่างๆเนี่เป็นของดีงามควรเจริญนะพอเรารู้จักอย่างนี้แล้วก็ไปทำความเพียรต่อไปนะทำความเพียรเพื่อละ มิจฉาวาจาทำความเพียรเพื่อเข้าถึงสัมมาวาจาความเพียร น, นี้ก็เป็นสัมมาวายามะสติที่ใช้เวลาที่จะยับยั้งคําพูดไม่ดีเพื่อจะให้พูดแต่คําพูดดีๆก็เป็นสัมมาสติเนี่ยก็สัมมาวาจาก็จะเพิ่มขึ้นนะสัมมากัมมันตาก็เหมือนกันการกระทาของเราในชีวิตของเราเนี่ยการกระทาใช้กายทาก็มีสองแบบ แบบที่เป็นมิจฉากรรมมันตะกับแบบสัมมากมันตะการกระทําไม่ดีก็เป็นการกระทําไม่ดีไม่ใช่เราไม่ดีแต่เป็นการกระทํามันไม่ดีมันนําทุกข์มาให้มันเบียนเบียดเบียนตนและผู้อื่นนี่เป็นการกระทําที่ไม่ดีเป็นของไม่เที่ยงเช่นกันการกระทําที่ดีก็เป็นการกระทําที่ดีก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นกันไม่ใช่ตัวตนเหมือนกั น, นพอรู้จักอย่างนี้แล้วความรู้จักอย่างนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิ พอรู้จักเรียบร้อยก็ไปทำความเพียรเพื่อที่จะละมิจฉากรมมันตะเพื่อเข้าถึงสัมมากมันต ะ, นะความเพียร น, นี้ก็เป็นสัมมาวายามะสติที่ใช้เวลามีเรื่องเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่เสมอเวลาที่จะมีการกระทำทางกายอะไรไม่ดีเราก็งดเว้นเสียทำก็ทำแต่อันที่ดีงามถูกต้องมีประโยชน์สตินี้ก็เป็น สัมมาสติองค์มรรคข้อสัมมากรรมตะก็เพิ่มขึ้นอาชีวะการเลี้ยงชีวิตของเราก็เหมือนกันไปทำงานทำมาหากินทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องจนกระทั่งอยู่ที่บ้านเลี้ยงลกูกเลี้ยงนอนเลี้ยงนี่ก็เหมือนกันคล้ายกันคล้ายกันนะก็ต้องมีทั้งฝ่ายที่ผิดกับฝ่ายที่ถูกนะอย่างนี้ทานองนี้ฝ่ายที่ผิดเราก็รู้ ตัวรู้ก็คือสัมมาทิฏฐิรู้ชัดมิดชฌาอาชีวะว่าเป็นมิชฌาอาชีวะที่ไปคดโกงหลอกลวงคนอื่นหรือกินแรงชาวบ้านนะกลัวตัวเองจะลําบากก็ทำเป็นไม่ช่วยบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปหลบเขาบ้างอะไรบ้างนะอันนี้มันอยู่ในใจของเราไม่มีใครรู้กับเราหรอกเรารู้อยู่คนเดียวการกระทาแบบนี้หรืออันแบบนี้ก็มีอยู่อันนี้เรียกว่ามิชฌาอาชีวะ เป็นการเลี้ยงชีวิตที่ผิดใช้ชีวิตที่ผิดใช้ชีวิตที่ผิดไม่ใช่เราผิดนะแต่เป็นอาชีวะมันผิดอาชีวะที่ถูกก็มีก็คือเราทำตามหน้าที่ตามเหมาะสมตามถูกต้องตามกำลังสติปัญญาของเราไม่ได้คิ ด, คดโกงอะไรซื่อตรงตรงไปตรงมาตามหน้าที่ตามเหมาะสมอันนี้ก็ถูกเหมือนกันเป็นสัมมาอาชีวะไม่ใช่เราเหมือนกันนะ2อันก็มีอยู่กับเรานี่แหละแต่ไม่ใช่เรา ตัวสัมมาทิฐิก็จะไปกวาดเราออกไปตัวเราไม่มีแต่มรรคมีนะการเดินมรรคมีแต่คนเดินไม่มีการเจริญมรรคมีแต่คนเจริญมรรคไม่มีนะมรรคเป็นทางเดินแต่คนเดินทางไม่มีทางต้องเดินไปเรื่อยๆแต่คนเดินไม่มีก็เลยต้องเอาคนออกไปก่อนนะคนนะแล้วคนไม่เดินใครจะเดินก็มรรคไงเดินอย่างเงี้ยแล้วใครเดินมรรค ก็ไม่มีใครไม่มีคนไม่มีคนสักคนนะที่มรรคเจริญขึ้นก็เพื่อกําหนดรอบรู้ทุกทุกมีแต่คนผู้เป็นทุกข์ก็ไม่มีอีกละนี่มันเป็นอย่างนี้สรุปแล้วไม่มีคนสักคนเลย น, นี่นี่การเจริญมรรคมันเป็นอย่างนี้นะครับ <pir ms> รู้จักมิจฉาอาชีวะว่าเป็นมิจฉาอาชีวะรู้จักสัมมาอาชีวะว่าเป็นสัมมาอาชีวะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน ความรู้อันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อรู้แล้วก็ไปทําความเพียรเพื่อละมิจฉาอาชีวะเพื่อเข้าถึงสัมมาอาชีวะความเพียร น, นี้เป็นสัมมาวายามะสติที่ใช้ในการควบคุมตัวเองรู้จักว่าเอ๊ะแบบนี้มันคดโกงเขานะอะไรนะเนี่ยโกงนี้บางทีไม่มีคนรู้นะฉะนั้นถ้าจะสะอาดนี่มันสะอาดถึงจิตเลยนะด้านกายภาพด้านข้างนอกนี่ไม่มีใครรู้กับเราหรอกฉะนั้นคนเจริญมากเนี่ยจะละเอียดมาก ละเอียดถึงขั้นด้านจิตเลยทีเดียวนะอย่างนี้นะก็ทําความเพียรเพื่อละมิจฉาอาชีวะทําความเพียรเพื่อเข้าถึงสัมมาอาชีวะนะอย่างนี้ก็เป็นความเพียร น, นี้เป็นสัมมาวายามะสติที่ใช้ก็เป็นสัมมาสตินะฟังไปทางมาครบ8หรือยังครับเนี่ยครบแล้วครบ8แล้ ว, ลวเพียงแต่ต่อไปก็ทําให้มันสมบูรณ์ในชีวิตของเราธรรมดานี่แหละทำ ถึงเวลาคราวทํามร์ข้อนี้ก็ทําข้อนี้ถึงคราวทําข้อนี้ก็ทําข้อนี้ทําข้อนี้ทําข้อนี้ไปเรื่อยมันก็จะค่อยๆครบสมบูรณ์ขึ้นมาตามลําดับไปเรื่อยๆเรื่อๆนะเมื่อมร์มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นปัญญาที่รู้สัจธรรมมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแรกๆก็จะรู้ทุกข์สัตว์ก่อนรู้ทุกข์ต่อมาก็รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์ไปเรื่อยจนสมบูรณ์ก็รู้สัจจะครบทั้งสี่เลย มักมันก็จะมารวมกันครบทั้ง8แต่รอนแรกมันยังไม่ครบ8ตอนแรกมันมี3ก่อนต่อมาก็มี4บางครา ว, วก็มี5บางคราวก็มี6กอย่างนี้ก็แล้วแต่คราวไหนมีเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปเขาค<ส>่อยค่อยฝึกมาตามลําดับนะเมื่อฝึกมาเรื่อยเื่อเรื่อยเื่อเรื่อ ย, อ ย, อ ย, อยมันก็ค่อยค่อยสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้ น, นอย่างนี้พอไหวไหมครับอย่างนี้อันนี้เรียกว่า เอาองค์ของมาร์กมาพูดว่าค่อยๆฝึกขึ้นมาอย่างไรนะไม่ได้ดูตามเหตุการณ์นะไม่ได้ดูตอนนั่งสมาธิไม่ได้ดูตอนเดินจงกรมแต่ดูในจิตของเราเลยดูในทุกขกิจกรรมว่ามันขึ้นมาอย่างนี้ทุกท่านก็เลยต้องสังเกตจิตตัวเองให้เป็นต้องการเจริญมาร์กเนี่ยนะไม่ใช่ไปมุ่งอยู่ที่กรรมฐานแต่มุ่งมาที่จิตใจของเราเป็นหลักว่ามีสัมมาทิฏฐิไหม สัมมาสังกัปปะไหมสัมมาวายามะมีไหมสติมีไหมเนี่ยดูตรงนี้นะดูตรงนี้เป็นหลักจึงต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านะครับนี่พูดในแบบเอาองค์มรสมาเรียงให้ดูว่าเจริญกันอย่างนี้สํารวจในจิตของเราเป็นหลักนะแต่ถ้าพูดเป็นหลักการแบบกว้างๆให้เข้าใจง่ายเพราะเอาองค์มรสมาพูดนี่มันฟังยากเหมือนกันนะพร้อมเป็นสภาวะในจิตใช่ไหมละเอียดมากเลย ต้องเป็นนักวิปัสสนาหรือว่าแยกแยะอะไรอะไรเป็นแล้วจึงจะมองได้ง่ายหรือพอฟังได้นะผมก็พูดให้มันยากจะได้จะได้จะได้เท่บ้างนะหมายถึงว่าฟังเรื่องยาวๆบางทีมันก็เท่ดีเหมือนกันนะก็เอาละเอียดมากระจายแต่เอาแค่8มากระจายให้ดูนะทีนี้ถ้าพูดแบบภาษาธรรมดาธรรมดาเอาแบบคําธรรมดาธรรมดาแบบมีเหตุการณ์มีนั่นมีนี่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะท่านก็มีบอกไว้หลายแบบ ผมก็จะยกมาสักแบบหนึ่งให้ท่านฟังแบบง่ายๆก็เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคขึ้นก็เรียกว่าเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดโสดาปฏิมรรคมารวมกันขึ้ น, นเรียกเป็นชื่อภาษาหนังสือเรียกว่าโสตาปฏิยังคะมี4ประการคือเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดโสดาปฏิมรรคเกิดโสดาปฏิผลขึ้นมาให้มรรคมารวมประชุมกัน จะได้เป็นพระอริยะเจ้าสักทีนึงอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเหตุก็จะมีอยู่4ประการด้วยกันนะะอันที่หนึ่งเรียกว่าสัพปริสสสังเสวะการคบหาสัพบุรุษการไปทําคุ้นเคยเสพคุ้นกับสัพบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นการค้นหาการคบหาทาความคุ้นเคยกับสัพบุรุษเนี่ยกับคนดีคนหมดกิเลสนี้ เราก็จะเข้าใจวิถีชีวิตของท่านเข้าใจความเป็นอยู่เข้าใจแนวคิดวิธีคิดอุดมคติต่างๆของท่านจิตใจของเราก็จะได้เอ็เอียงไปตามท่านถ้าเราไม่คุ้นเคยเราก็จะคิดในแบบโลกโลกพวกเราหลังๆมานี้ก็โอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับท่านสับรุษบางทีน้อยลงก็เข้าใจท่านได้ยากแต่ถ้าเป็นยุคพุทธกาลในพระอริยะเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมก็ในพระอริยะท่านอยู่ยังไงท่านคิดยังไงมันก็แหมง่ายนะ ยุคนี้ก็ส่วนใหญ่ก็โอ้วันวันเน่ดูแต่ความคิดของใครก็ไม่รู้ในหนังในละครเอ่ยตบแย่งสามีกันเอยอะไรเอยซึ่งพระอริยะไม่เป็นอย่างนี้สักคนนะมันก็ลำบากหน่อยให้เราไปคิดในแบบอริยะเนี่ฉะนั้นเพื่อให้เกิดผลที่ถูกต้องท่านก็มีเหตุข้อที่หนึ่งก็คือสัปปริสสะสังเสวะการคบหาสัพปุรุษทำความคุ้นเคยคุ้นชินกับวิถีของ พระอริยเจ้าว่าพระอริยเจ้าท่านประมาณนี้นะท่านอย <th> ู่แบบนี Freud, ้กุฏ <se> ิที่ท่านอยู่เนี่ยอย่างเช่นพระละหันท่านอยู่ประมาณนี้ท่านหารำมาหากินประมาณนี้พระละหันท่านเดินบินบาตท่านอยู่กุฏิล้างเล็กๆท่านสบายๆอย่างนี้นะถ้าคุ้นเคยอย่างนี้มันก็สะดวกที่จะพิจารณาในด้านการปฏิบัติพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ถ้าคุ้นนี่มันจะดูง่ายว่าเราทํานี้มันถูกหรือผิดหรือเราเกินไปมากหรือน้อย แต่ถ้ามันเปรียบเทียบด้วยกันเองนี่นะอย่างคารวาสเราเนี่โอ๊ยเกินจนขี้เกียจจะเกินแล้วพอมาเปรียบเทียบด้วยกันเองมันก็ไม่เห็นกันไงเราก็เลยต้องไปคุ้นเคยกับท่านสั บ, บุรุษโดยเฉพาะพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าคุ้นเคยกับท่านไงเราจะเห็นวิถีชีวิตของท่านและเราก็จะรู้จักว่าเราเนี่ยเพี้ยนหรือว่าเป็นบ้าหรือว่าเยอะไปเท่าไหร่แล้วอย่างพวกเรานี้มันไม่ใช่อริยะแต่เป็นอริยอะ อริยะหมายถึงว่ามันเยอะมันเยอะมันเกินไปบ้านก็เกินไปอาหารก็เกินไปนอนก็เกินไปพูดก็เกินไปอะไรก็เกินไปหมดมันเกินอริยะไปพอมันเกินมันก็ทุกเยอะมันก็กิเลสเยอะมันก็อะไรก็เยอะเยอะๆแน่นอนมันก็ต้องเกิดเยอะมันตัวทุกเยอะมันเยอะไปหมดไงมันไม่จบไม่สิ้นมันเยอะไงมันเยอะก็เลยเรียกว่าอริยเยอะพวกเราเนี่ยไม่ใช่อริยะ พวกเราก็ในเมื่ออะไรเยอะอยู่ก็ไหนๆก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องมีเหตุที่ถูกก็คือต้องไปคบหากับท่านสัพพุรุษนั่นเองนี่อันที่หนึ่งนะโสตาปฏิยังคข้อที่หนึ่งเรียกว่าสัพพุริสะสังเสวะการครบหาสัพพุรุษคุ้นเคยกับวิถีชีวิตของท่านคุ้นเคยกับการเป็นการอยู่ของท่านคุ้นเคยกับความเห็นของท่านว่าท่านเห็นประมาณนี้นะท่านคิดประมาณนี้นะอย่างนี้ทํานองนี้ นะครับอันที่สองเรียกว่าสัทธธรรมมัสสวรนณะการฟังพระสัท ธ, ธรรมเข้าไปคบหาคุ้นเคยแล้วถึงจะอยู่กับท่านใกล้ชิดท่านกอดท่านอยู่เราก็ไม่ได้เป็นอย่างท่านนะจะเป็นได้ก็ด้วยการมีธรรมะก็ต้องฟังธรรมแน่นอนเราคุ้นกับท่านเนี่ยดีแล้วเราจะได้รู้จักวิถีที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างเนี้ยเบาใจเย็นใจอย่างนี้แหละแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังทําไม่ได้เพราะยังไม่มีธรรมะใช่ไหม เราก็ต้องฟังพระสัจธรรมฟังธรรมะฟังพระสัทธรรมธรรมะที่จะช่วยในการทําให้กิเลสสงบระงับก็คือมักแปนี่แหละเป็นหลักเลยทีเดียวต้องฟังเรื่องมักแปเรื่องข้อปฏิบัติปัญญาศีลสมาธิว่าทําอย่างไรเพราะพระอริยะที่เราไปคุ้นเคยท่านนะท่านก็ปฏิบัติได้มักแปดนี่แหละนะอย่างนี้แต่ว่าอาการภายนอกของท่านนี่บางทีเราก็ก็ เข้าไม่ถึงใช่ไหมว่าท่านทําได้ยังไงอะไรต่างๆเราคุ้นเคยแล้วก็ต้องฟังสัจธรรมว่าท่านทําได้ยังไงท่านมีธรรมะอะไรในใจของท่านท่านเข้าถึงธรรมะอะไรก็เนี่ยฟังพระสัจธรรมก็คือเรื่องมรรคแดเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะเจริญมรรคแดแล้วเห็นอริยสัจ4ีนี่ให้ฟังบ่อยๆฟังให้เข้าใจนีอย่างตอนนี้ทุกท่านมาฟังนะถ้ายังไม่เข้าใจก็ ไปอ่านเอาเองเพราะจะหมดเวลาอยู่แล้วไปต่อไม่ได้เพราะมันหมดเวลานะต้องไปอ่านเอาเองต้องอ่านต้องรีบอ่านด้วยนะถ้าไม่อ่านต่อไม่ได้ไม่อ่านไม่รีบอ่านไม่ได้เดี๋ยวจะหมดลมหายใจก่อนมันทุกอย่างมันรู้จักหมดหมดเลยนะต้องรีบนี่นี่ข้อที่สองเรียกว่าสัจธรรมมัตสวรณะการฟังพระสัจธรรมนะต่อไปข้อที่สาม ข้อที่3มเรียกว่าโยนิโสมนสิการการกระทําไว้ในใจให้แยบขายก็เอาสัจธรรมเนี่ยเรื่องอริยมรรคมีองค์แเรื่องอริยสัจสีมาใส่ใจใส่ใจบ่อยๆใส่ใจก็สัมมาทิฏฐิมีอยู่2ระดับที่ผมพูดให้ฟังไปบ้างแล้วนะก็เอาไปใส่ใจบ่อยๆให้มันเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าไงฟังพระสัจธรรมแล้วเอาไปใส่ใจก็จะเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิก่อน สมารถทิฏฐิในเบื้องต้นนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ข้อที่3โยนิโสมนสิการะการกละททำไว้ในใจให้แยบขายให้ถูกต้องใส่ใจใส่ให้มันเข้านะบอกใจตัวเองสอนตัวเองค่อยคอยสอนบอกมันใจของเราก็ค่อยค่อยตะล่อมสอนถ้าอัดมากบางทีมันมันไม่ยอมก็ค่อ ย, ค, อยค่อยตะล่อมไปอะไรไปวันละเล็กวันละน้อยแต่ต้องสอนถ้าไม่สอนมันจะไม่ฉลาดต้องสอนมัน นะทีนี้ถ้าเรามีวิถีของท่านสับุรุษพระอริยะเจ้าอยู่ในใจอยู่แล้วก็คงจะใจก็คงจะเอียงไปทางนั้นนะคงจะสอนง่ายพระอริยะท่านนะไม่พูดมากแกอยากเป็นพระอริยะหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอยากก็อย่าพูดมากนะ <S <S นะไปไงพระอริยะเราคุ้นเคยท่านอยู่แล้วท่านนอนมากหรือนอนน้อยท่านนอนน้อยแกอยากเป็นไหมอยากเป็นก็นอนน้อยนอยนะหั ด, ดนิสัยไว้นะอันนี้ก็ว่าไปนะก็ ค, ค่อยสอนไปเดี๋ยวก็ได้เองอะ คือถ้ามีตัวอย่างดีมันก็พูดภาษาเรามันก็สะดวกขึ้นนะแต่ยุคนี้จะยากขึ้นนิดนึงแต่ว่าในเมื่อเหตุมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องทําอย่างนี้นะท่านไหนที่มีครูบาอาจารย์ดีมีแบบอย่างที่ดีนี่ก็นับว่าแบบว่ามีประโยชน์เยอะทีเดียวจะได้เรียกว่าเป็นตัวอย่างนะอย่างนี้ทุกอย่างก็ค่อยๆหัดฝึกกันไปเนี่ยก็สัปปุริสะสังเสวะการคบหาสัป บ, บุรุษ สสัตธรรมมัตสวระการฟังพระสัตธรรมสมโยนิโสมนสิการด้วยการถึงข้อที่สามนี้ก็จะเริ่มมีสัมมาทิฏฐิแล้วมีความเข้าใจถูกต้องบ้างแล้วอะไรแล้วต่อไปก็ต้องไปฝึกไปหัดให้มันสมบูรณ์นะจึงมีข้อที่4ตามมาเรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิปฏัติการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมปริย่อยต่าง ให้เหมาะสมแก่การที่จะได้มรรคแปเนี่ยมรรคแปวิธีการรวมเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะว่าต้องรวมแบบนี้นะจึงจะครบมรรคแปดนะค่อยๆรวมมาตอนนี้เราก็เข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมีการฟังศรัทธรรมมีการโยนิโสมมนาสิการเข้าใจแล้วก็ต้องไปปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมกับการที่จะได้ธรรมะก็ต้องดูเราว่าขาดอะไรบ้างนะถ้าอันไหนมีแล้วก็ดีแล้วอันไหนขาดก็ต้องไปเติมเข้ามา เพิ่มเข้ามาปฏิบัติให้เหมาะสมกับการที่จะได้ธรรมะธรรมะปลีกย่อยก็มีหลายประการเหลือเกินที่พวกเราต้องฝึกต้องหัดเพื่อจะเป็นฐานในการฝึกปฏิบัติอริยมรรคฝึกปฏิบัติวิปัสสนาชั้นสูงให้มันรวมลงเนี่ยก็ปฏิบัติปลีกย่อยโดยส่วนใหญ่ท่านจะแสดงไว้5ประการด้วยกันนะท่านไหนที่มีแล้วก็ดีแล้วท่านไหนยังไม่มีก็ต้องไปทําขึ้นมาไม่อย่างนั้นแล้วฟังอริยมรรคไปแล้วแต่ว่า ถ้าพื้นฐานมันไม่เหมาะสมที่จะได้มันก็ไม่ได้นะฟังดูนี่เหมือนเข้าใจนะซึ่งดีแล้วนะเข้าใจเนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าการที่จะทำให้มันได้มันก็ต้องมีเงื่อนไขหลายประการนะอันนี้ก็ต้องปฏิบัติทำให้สมควรแก่รมธรรมะปรีกย่อยโดยส่วนใหญ่ท่านแสดงไว้5ประการอันที่1เรียกว่าปาติโมกขสังวรการสารวมในปาติโมกศีลที่เป็นขั้นพื้นฐาน จะต้องมีให้ดีเป็นพื้นเป็นฐานเพราะว่าถ้าพื้นฐานไม่ดีก็เหมือนแผ่นดินมันไม่ดีไม่มีแผ่นดินปลูกพืชอะไรต่างๆมันก็ไม่ขึ้นอย่างนี้พวกเราจะปลูกพืชคือปัญญาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีแผ่นดินแผ่นดินก็คือศีลศีลที่เป็นพื้นเป็นฐานสําหรับให้ธรรมะงอกงามเติบโตจนกระทั่งบรรลุธรรมได้ถึงความหลุดพ้นได้เรียกว่าศีลปาติโมกข์นะ ศีลปฏิโมกข์ก็มีหลายระดับขั้นแล้วแต่ว่าเราจะเอาระดับไหนถ้าเป็นพื้นพื้นทั่วไปก็ศีลห้าสิทขามบท5นี้ก็เป็นปฏิโมกข์สหรับผู้ต้องการเป็นถึงโสดาบันสักกะทาคามีก็ยังพอไปได้ไปไหวนะถ้าเป็นอนาคามีก็ตัดข้อที่สออกไปเอาข้ออภพรหม จ, จริยะมาใส่แทนนะถ้าต้องการเป็นถึงพระอระหันต์ก็ สูงสุดก็ไปบวชเป็นพระศีลก็จะเป็นฐานที่ดีเป็นปาฏิโมกในแบบพระรองรับความเป็นพระอรหันต์หรือใครยังไม่พร้อมจะฝึกอุปนิสัยไว้ก่อนก็สิกขาบท8ดนี่เป็นฐานของอุปนิสัยพระอรหันต์เป็นฐานไว้นะแต่พอจะไปจริงก็ค่อยบวชอย่างนี้ทานองนี้เห็นหน้าตาอย่างนี้เนี่ยไม่ไหวไหมเนี่ย <c oughs> ก็เอาเท่าที่ไหวก่อนแต่ท้ายที่สุดทุกคนจะต้องจะต้องถึงทุกคนไป นะส่วนจะถึงชาติไหนก็ค่อยว่ากันนะครับนะบางท่านว่าโอยขอชาตินี้แค่แคโซดาก่อนก็แล้วกันนะก็ให้ถึงสักอันเถอะนะแต่ท้ายที่สุดทุกคนจะต้องถึงเหมือนกันหมดนะเพราะถ้าไม่ถึงมันก็ไม่จบมันก็วนเวียนอย่อยางเงี้ยต้องถึงเหมือนกันอันนี้เรียกว่าปาติโมขสังวรนะครับฆนะราวาสเราก็สามารถปฏิบัติได้โดยการอาศัยศีลห้าให้จิตตั้งอยู่ในศีลห้า รักษาศีลห้าให้ดีเห็นคุณค่าของศีลแล้วก็ปฏิบัติวิปัสนาได้นะนี่อันที่หนึ่งคือปาติโมกขสังวรในนี้เป็นฐานนะเป็นเหมือนฐานทีนี้เพื่อจะเอาสัมมาทิฏฐิเอาองค์มรต่างๆมาปลูกลงไปในฐานได้ก็ต้องมีคุณสมบัติของนักภาวนาที่ดีมีข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดพลาดอย่าไปทาผิดต้องทาให้มันถูกข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดพลาดก็จะมีอยู่3ข้อหลักๆด้วยกัน เรียกว่าอปัณนกะปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดถูกแน่นอนมีสข้อเหมาะสำหรับที่จะเป็นนักภาวนาที่ดีที่ถูกต้องนะมีอันที่หนึ่งก็คืออินรีสังวรสำรวมระวังอินรีตาหูจมูกลิ้นกายและใจอย่าไปเที่ยวดูเที่ยวฟังเที่ยวดมกลิ่นเที่ยวรู้รสเที่ยวสัมผัสเที่ยวรับรู้เรื่องโน้เรื่องนี้ให้กิเลสมันเข้ามา ต้องระมัดระวังเวลาตามองดูเนี่ยต้องมีสติอย่าให้มันเกิดกิเลสอย่าให้เกิดความรักความชังอย่าให้กิเลสมันเข้ามาทับจิตใจเพราะว่าเราจะเอาใจนี้ไปเจริญมรรคไงต้องมีฐานแล้วก็ต้องระมัดระวังจิตใจของเราเวลาตาเห็นเนี่ยต้องระวังอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าให้กิเลสมันเข้ามาพูดภาษาเราได้ฟังก็เหมือนกันได้ยิน นะการจะห้ามการเห็นนี่มันไม่ได้แต่ว่าให้ระวังไว้ตั้งสติไว้ให้ดีถ้ายังสู้ไม่ได้หลบไปก่อนแต่ไม่ใช่หลบตลอดนะหลบไปฝึกสักหน่อยนึงแล้วกลับมาดูอย่าดูให้มันเกิดกิเลสนะฟังก็ทำนองเดียวกันนะครับนี้อินทรีสังวร น, นะต่อไปอปันนักกัปปติปทาข้อที่สองก็คือโภชนเน ม, มัตตัญยุตาการมีปัญญารู้จักความพอดี ในการทานอาหารการทานอาหารนี้ต้องพอดีต้องพอดีต้องเหมาะสมอย่าให้เกินไปอย่าให้เกินอย่าให้เกินพอดีนะต้องมีปัญญาปัญญาจึงจะรู้จักพอดีพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าไม่พอดีมันก็เป็นการทานเอากิเลสเข้ามาด้วยนะร่างกายได้อาหารใจได้กิเลสคุ้มกันไหมครับนะเราได้รู้โลกแต่ใจได้กิเลสคุ้มกันไหม ไม่คุ้มนะเรามองเห็นเนี่ยตาได้มองเห็นเราก็รับรู้โลกรับรู้โลกนี้สามารถเกิดปัญญาได้แต่ว่าแทนที่จะได้ปัญญาเกิดกิเลสก็ไม่คุ้มหูฟังเสียงเนี่ยก็หูท่านฟังผมนี่ก็ได้ยินเสียงก็ได้เกิดปัญญาได้แต่ฟังเสียงแล้วเกิดกิเลสคุ้มไหมก็ไม่คุ้มก็เลยต้องมีอินทรีย์สังวรเห็นไหมนะเรียกว่านักภาวนาก็ต้องใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์พูดภาษาเราเครื่องมือก็อยู่กับตัวเรา ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละนะต้องมีฐานและมีเครื่องมือที่ถูกต้องฉนันภาวนาหรือวิปัสนาก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละเป็นเครื่องมือรับอารมณ์ต่างๆแล้วก็กําหนดว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่นอนแต่การจะทําได้จะต้องไม่เสียก่อนนะจะต้องไม่ถูกกิเลสครอบก่อนนะอันนี้ก็เรียกว่าอินทรี์สังวรต่อมาก็โภชนเนมัตตัญุตา มีปัญญารู้จักประมาณในอาหารเพราะการจะภาวนาต่อไปได้ร่างกายของเรานี้มันเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ก็ต้องบริหารทุกข์ไปเดินมันก็ทุกข์ไปนั่งนั่งมันก็ทุกข์ยืนมันก็ทุกข์นอนมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละต้องให้มันพอเป็นไปได้ต้องให้มันกินข้าวถ้าไม่กินข้าวนี้มันก็อยู่ไม่ได้กินข้าวมันจึงจึงจะมีแรงนั่งสมาธิจึงจะมีแรงฟังธรรมจึงจะมีแรงเดินจงกรม การอาหารเพื่ออนุเคราะห์ต่อการประพฤติประมาจันนั่นเองอย่างนี้ต้องมีปัญญารู้จักความพอดีถ้าไม่มีปัญญามันก็จะเกินพอดีเกินพอดีมันก็เป็นกิเลสร่างกายอิ่มใจได้กิเลสเป็นไหมครับเนี่ยไหวไหมไม่ไหวกายนั้นได้อิ่มเรียบร้อยเราหิวใช่ไหมเราก็กินไปนะกายได้อิ่มส่วนใจติดน่องไก่ซะแล้ว ติด k f เซะแล้วไปชาติหน้าไม่ได้เพราะห่วง KFC ตายแล้วแต่นี่ไปนิพพานก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เดี้ยงเลยไม่ไหวไม่คุ้มกันอย่างนี้เห็นไหมนะอย่างนี้ก็เลยต้องมีโพชนเนมัตตัญญุตาต่อไปข้อที่สาชาคิยานุโยคะประกอบความเพียรให้จิตตื่นตัวอยู่เสมออย่าให้มันง่วงเหงาวหานอนเวลาที่พักผ่อนก็พักผ่อนเวลาที่ไม่ต้องพักก็ไม่ต้องพัก เวลาพักผ่อนก็คือช่วงกลางคืนมัชมยามห้าชั่วโมงหกชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ตามสะดวกส่วนหลังตกตื่นมาแล้วไม่ต้องพักไม่ต้องง่วงนอนอย่าทําเป็นง่วงอย่าทําเป็นขี้เกียจให้ง่วงเฉพาะตอนที่จะง่วงให้พักตอนพักเนี่ยนอกนั้นให้ทําชาคริยานุโย ค, คะประกอบความเพียรให้จิตตื่นอยู่เสมอไม่ใช่พอทานอาหารกลางวันเสร็จแอบหลับไม่ใช่งั้นนะอันนี้ ทำนองนี้นะอย่าให้นิวรนมันครอบงําจิตเพราะว่าถ้านิวร์มันครอบงําจิตแล้วมันก็จะไม่เกิดปัญญาเพราะนิวรนนั้นมันทําให้จิตเศร้อมองและบังปัญญาปัญญาจะไม่เกิดปัญญาจะเกิดได้เมื่อมันไม่มีนิวรนถ้าไม่มีนิวร์เนี่ยรับรู้ทางตามันก็จะเกิดปัญญาได้มองเห็นก็เกิดปัญญาได้นะนี่ก็ไม่เที่ยงก็เห็นได้นะแต่ถ้ามีนิวรนโอ้เอ็นี่ชอบนะี่ยก็ไม่ได้เรื่องแล้วนะ ก็เลยต้องทําจิตให้ตื่นตัวอยู่เสมอให้มีสติมีชาคาริยธรรมอยู่เสมออย่าให้มันมีนิวรนนั่นเองนะเขาเรียกว่าชาคาริยานุโยคครับคล้ายๆเตรียมการไว้เสมอได้ฟังต่างๆได้รับรู้เรื่องต่างๆนี้สามารถเกิดปัญญาได้ถ้าเป็นคนเตรียมตัวอยู่เสมอมีชาคาริยธรรมนะเนี่ยคือไม่มีนิวรน น, นั่นเองพอไม่มีนิวรนแล้วก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะตอนนี้ ก็อปันนกิปอปันนกะปฏิปทาก็มี3นะรวมกับอันแรกที่เป็นพื้นฐานเป็น4ไปแล้วอันแรกก็คือปาติโมกขสังวร2ก็อินรีสังวร3โพชเนมัตตัญยุตา4ชาคริยานุโยคะต่อไปอันที่5ที่ต้องมีอยู่เสมอพอไม่มีนิวรแล้วนะจิตสะอาดปลอดโปร่งแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ เราสติเป็นตัวกำหนดจับเรื่องต่างๆมาสัมปชัญญะปัญญาเป็นตัวพิจารณาก็จะได้ปัญญาไปทุกๆเรื่องเลยนะสัมมาทิฏฐิก็จะมามีขึ้นสัมมาสังกปะก็จะได้เจริญไปในชีวิตของเรานี่ก็เป็นข้อปฏิบัติที่เหมาะสมหรือว่ามีโอกาสที่จะทำให้ได้มรรคต่อไปนี่พอเข้าใจไหมครับนี่เขาเรียกว่าธรรมะห้าอย่างที่เป็นธรรมะปลีกย่อย ส่วนตัววิธีการรวมมรรคเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเป็นธรรมะใหญ่นะแต่การจะรวมมรรคอย่างนั้นได้ต้องมีฐาน5ตัวนี้ถ้าตัวหลักก็คือใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะสตินี่เป็นตัวจับเป็นตัวกําหนดเป็นตัวรับนะส่วนปัญญาสัมปชัญญะเป็นตัวดูสังเกตให้เห็นว่ามันเป็นรูปหรือมันเป็นนามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ก็จะค่อยๆ ได้องคมมักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อไปชุดนี้เรียกว่าโสตาปฏิยังคะ4ประการองค์ประกอบที่เป็นเหตุให้เกิดโสดาปฏิมักทำให้เข้าถึงโสดาปฏิผลทำให้เกิดปัญญาชั้นต่างๆสูงขึ้นไปมี4อย่างอันที่หนึ่งคือสับปุริสะสังเสวะการคบหาสั บ, บุรุษ ให้คุ้นเคยกับศัพ์ บ, บุะรดนะคุ้นเคยถ้าไม่คุ้นหายากก็อ่านพระไตรปิฎกอ่านวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าพูดมากอย่างเราไหมเล่นลายอย่างเราไหมอ่าแค่นี้ก็รู้แล้วว่าจะนิพพานหรือไม่นิพพานก็รู้หมดแล้วแค่นี้นะคือให้ทราบวิถีของท่านะว่าท่านเป็นอย่างไงท่านอยู่ประสาทราชวังยินดีในอาหาร หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะให้คุ้นว่าอของท่านเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะไปอย่างท่านนั่นแหละแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปแค่คุ้นแค่เรียกว่ารู้จักท่านว่าท่านเป็นอย่างไรเรียกว่าสับปุริสะสังเสวะการคบหาทําความคุ้นเคยกับสั บ, บุรุษนะฮะสั บ, บุรุษผู้สูงสุดก็คือพระพุทธเจ้ารองลงมาก็เหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายเราชอบองค์ไหนเราก็ดูเอาพิจารณาเอา ท่านก็ไปทานองเดียวกันนั่นแหละนะต่อไปข้อที่2ก็สัตทธรรมมัชสวรนระการฟังพระสัตทธรรมอย่าลืมฟังธรรมที่จะทำให้หมดกิเลสพระอริยเจ้าท่านหมดกิเลสก็เพราะมรรค8นี่แหละไม่มีทางอื่นหรอกมีอันเดียวเนี่ยฟังเรื่องนี้ฟังแล้วก็ฟังเรื่องอริยสัจสฟังเรื่องหลักธรรมชั้นสูงที่จะทำให้เข้าใจความเป็นจริงนะอย่างนี้ สัตธรรมมัสสวานณะข้อที่2ข้อที่3ก็คือโยนิโสมนัสิการการกระดทาไว้ในใจให้แยบคายเอามาใส่ใจเนี่ยอันนี้ทุกท่านก็อย่าลืมเอาธรรมะมาใส่ใจจะได้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นตัวนำนะเข้าสู่มรรคเข้าสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องถ้าไม่มีตัวนี้มันจะไม่เข้ามาสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องนะต้องมีสัมมาทิฏฐิ ต้องมีโยนิโสมณสิการมาก่อนก็จะเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นเมื่อมีโยนิโสมณสิการเกิดสัมมาทิฏฐิเข้าใจข้อปฏิบัติแล้วต่อไปเราก็ไปปฏิบัติปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่การที่จะได้ธรรมะปฏิบัติธรรมะให้สมควรแก่ธรรมธรรมานุธรรมะปฏิปติปฏิบัติธรรมย่อยให้เหมาะสมกับการที่จะได้ธรรมะใหญ่ธรรมะใหญ่ก็คือมรรคด ที่ว่าใหญ่ก็คือมันฆ่ากิเลสได้ธรรมะย่อยก็คือมันยังฆ่ากิเลสไม่ได้เขาเรียกว่าธรรมะย่อยแต่ว่ามันก็เป็นพื้นฐานที่ดีธรรมะใหญ่เนี่ยใหญ่จริงนี่มันต้องละกิเลสได้ส่วนพวกเรานี้ทําบุญใหญ่แต่ว่าละกิเลสไม่ได้สักอันอันนี้มันมันใหญ่แต่ปากนะมันไม่ใหญ่จริงนะถ้าใหญ่จริงมันต้องละกิเลสได้นะั่นแหละเรียกว่าใหญ่นะอย่างนี้ทนนําตรงนี้อันนี้ก็ตามหลักก็เป็นอย่างนี้ ธรรมะใหญ่ก็คือมรรคแเนี่ยมันฆ่ากิเลสได้ละกิเลสได้ทีนี้ก็ต้องปฏิบัติธรรมะปลีกย่อยให้เหมาะสมกับการที่จะได้ธรรมะใหญ่ธรรมะปลีกย่อยก็มีมากมายที่ท่านนิยมแสดงไว้ก็มีอยู่5้าอย่างที่ผมพูดไปนะเป็นธรรมะปลีกย่อยอื่นๆมงคลข้อต่างๆข้อประพฤติปฏิบัติต่ตางๆดีๆงามๆก็ให้ทํมาบา ร, รมีต่างๆทั้งหลายก็เป็นธรรมะปลีกย่อยทั้งนั้นนะ แต่ที่ท่านแสดงไว้มากก็จะมีอยู่5เรื่องอันที่หนึ่งก็คือปาติโมกขสังวรสำรวมระวังในปาติโมกไม่ผิดศีลที่เป็นพื้นฐานอย่าทำลายฐานที่ตั้งของตนเองนะพวกเราก็แค่ศีลหก็ทำได้แล้วก็อย่าทำลายอย่าล่วงละเมิดในสิกขาบท5เป็นพื้นนะต่อมาก็อินทรีสังวร สำรวมระวังอินสีตาหูจมูกลิ้นกายและใจสามก็โพชเนมัตตัญยุตามีปัญญารู้จักประมาณรู้จักความพอดีในการทานอาหารอย่าทานเอากิเลสเข้ามาด้วยทานให้มันอิ่มและเป็นอนุเคราะห์แก่การประพฤติประมดจันให้มันพอดีพอดีกับการปฏิบัติธรรมนะอันที่ 4. ชาคริยานุโยคะ ประกอบความเพียรให้จิตนั้นตื่นตัวอยู่เสมออย่าให้นิวรนมันครอบงําจิตเพราะถ้านิวรนมันครอบงําจิตมันจะไม่เกิดปัญญาถ้าความรักมันครอบอยู่ก็มมมไม่เกิดปัญญาความโกรธหงุดหงิดมันครอบงําอยู่ก็ไม่เกิดปัญญาง่วงเงาเหา่อนอนทอดแท้ก็ไม่เกิดปัญญาฟุ้งซ่านก็ไม่เกิดปัญญ า, า, า, ญญาลังเลสงสัยอันนั้นถูกไหมอันนี้ถูกไหมทําไมคนนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้เป็นงั้นโอ้หุ่นไหวไม่เกิดปัญญานะเราต้อง มีสติเสมอกวาดพวกนี้ออกไปนะเรียกว่าธรำชาคริยานุโยคะต่อมาเมื่อไม่มีพวกนิวรณ์แล้วก็ให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะนะถ้าใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะเนี่ยก็มีโอกาสมีโอกาสที่จ ะ, จะเจริญมรรคแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากจริงๆต่อไปก็เหลือแต่ว่าเราเข้าใจองค์มรรคดีไหม ถ้าเข้าใจดีแล้วใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะเราก็กทําเอาใช่ไหมนะองค์มรรคผมก็พูดให้ฟังแล้วว่าทำอย่างไงบ้างตอนนี้พื้นฐานก็มีเราก็ทําไปอย่างนี้ทำํำนองนี้นะครับสรุปว่าวันนี้ผมมาพูดธรรมะให้ฟังในหัวข้ออริยมรรคมีองค์8นะครับพูดไป4ประเด็นด้วยกันนะเข้าใจมากเข้าใจน้อยอันนี้ก็ก็ก็อย่างนั้นแหละ S <S ไม่ว่ากันนะเพราะยังไงมันต้องหมดต้องสิ้นไปเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพวกเราก็อย่าให้สิ้นไปเปล่าให้สิ้นไปโดยถูกต้องก็คือด้วยการเจริญมรรคเดินเข้าใกล้นิพพานไปเรื่อยๆนะทุกท่านก็อย่าลืมพากันไปฝึกไปหัดกันนะครับอันนี้ก็จำเป็นมากเหลือเกินสำหรับพวกเราที่ต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขต้องการถึงความพ้นทุกเนี่ยมรรคเป็นเรื่องจาเป็น สัมมาทิฏฐิสัมมาสำหรับป่านี่เป็นเรื่องจำเป็นส่วนข้าวก็เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับร่างกายมันจะได้ไม่ปวดท้องนะก็เหมือนกันนี่แหละมันจำเป็นคนละประเด็นกันแต่ถ้าอยากจะพ้นทุกข์อยากสงบอยากเป็นอิสระมรรคแนี่จำเป็นมากเลยจำเป็นมากและจำเป็นจริงๆทุกภพทุกชาติเลยถ้าอาหารคนนี่ก็จำเป็นเฉพาะตอนเป็นคนนะถ้าไปเป็นเทวดาก็ไม่ต้องเอาน่องไก่ไปด้วยเยอะได้น้องไก่ทิพย์อยู่ข้างบนนะ แต่มรค8นี้จําเป็นทุกภพทุกภูมิเลยนะจําเป็นมากพวกเราจึงควรที่จะฟังไว้แล้วก็ฝึกให้ติดไปในใจฝึกให้มีขึ้นเป็นขึ้นมานะครับผมก็ได้บรรยายตั้งประเด็นในการพูดไว้4ประเด็นก็พูดจนครบเลยแต่ว่าพูดโดยย่อนะครับก็คือพูดประเด็นที่1ก็พูดความหมายนะความหมายของมรคนะครับ ประเด็นที่2ก็พูดความสำคัญประเด็นที่3พูดเรื่องการแจกแจงองค์มรกว่ามีอย่างไรบ้างประเด็นที่4ก็พูดถึงการรวมมรขึ้นมาเอาตั้งแต่เอาองค์มรกมารวมว่ารวมอย่างไรเอาแบบละเอียดเอาแบบสภาวะที่เป็นมรกมารวมให้ดูจิตตัวเองเป็นหลักว่ารวมยังไงกับตอนท้ายก็พูดถึงแบบกว้างกว้างกว้างแบบกว้างจะเข้าใจง่ายหน่อยนะแบบละเอียดจะเข้าใจยากหน่อยก็เอาทั้งแบบ ยากแบบง่ายมาปนๆกันทุกท่านก็จะได้ฟังหลายๆแบบนะครับนะก็ถ้าฟังไม่ทันอย่างไรก็ไปหาหนังสือนะครับนังสือนี้นะนังสือที่ผมเขียนนี่แหละอริยมรรคบีองแ์ดประตูสู่อมตะธรรมเนี่ยมาอ่านนะครับมีหนังสือแจกฟรีนะครับนะอยู่ในเว็บไซต์นะช่วยๆอ่านหน่อยนะครับนะผมจะได้ไม่ต้องพูดมากนะครับ เพว่าถ้าไม่ได้อ่านผมก็ต้องพูดเยอะอยู่ถ้าอ่านก็บอกเห็นหน้าผมปุไม่ต้องพูดแล้วอาจารย์เรื่องนี้อ่านมาแล้วเออแจ๋วเลยทีนี้สบายเลยอ่าก็ช่วยๆกันอ่านนิดนึงแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าของเราได้สอนไว้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ที่เข้าฟังธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียร มีสัมปชัญญะและมีสติเจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทินต่อไปเราก็อุทิศส่วนกุศลเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะได้กราบลาพระนะครับทุกท่านตั้งใจอุทิศ น้อมกุศลถวายนะครับข้าพระเจ้าทั้งหลายาขอน้อมกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์งงองคขอจงทรงพร ะ, กะเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพยาธิทั้งปว ง, ป ง, ปวงและขออุทิศส่วนกุศ ล, ล, ออศลให้แก่บุปการีารมีมารดาบิดาเป็นต้ น, น, ตนแก่ญาตและมิตรสหา ย, ย, าหายผู้ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนเทวดาและอมนุษย์ทั้งหลายขอจงมีจิตโสมนัสยินดีอ น, นดอนุโมทนาในส่วนกุศ ล, โ, ศลโดยทั่วกันเทิน